ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายลเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงสั ป, ปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวิสาขาบูชาจึงจะได้นำโพธิกระถาคือใต้ร่มโพธิญาณมาแสดงแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลาย แต่รมโพธิญาณ น, นั้นเป็นเหตุการณ์ในช่วงสัต์สรูแล้วจะนำมาเฉพาะข้อความในพระไตรวิฎกคือเรื่องพุทธวัตินั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าเวลานำมาเรียบเรียงเราต้องรวบรวมมาจากหลายแห่ง คือสุดแต่ว่าจะรับสั่งเล่าหรือไม่รับสั่งเล่าดังนั้นในหนังสือจึงมีการประติดประต่อกันจากที่มาหลายแห่งแต่ในที่นี้จะพูดถึงราตรีที่จัดสรุคือเมื่อพระพุทธเจ้าได้จัดสรุพระอนุตตรสัมมาสัมโพชญานในภาวันเพนวิสาขาบุรณมี ภายใต้ต้นไม้ชื่อว่าอัสัตถะหรืออัสัตถพฤกษ์ริมฝั่งแม่น้ำในรัญชรานะตำบุอุรุเวลาเสนานิคมหลังจากบรรลุพระยานทั้งสามมาโดยลำดับแล้วคือบุเพนิวาสานุสิยานรู้ลึกชาติได้จตูปปาติยานรู้จักการจุติอุบัติของสัตว์ทั้งหลายว่าเป็นไปตามกรรม และอาสวะขยานคือทำอาสวะให้หมดสิ้นไปจากพระไถ่พอต่อจากนั้นก็ประทับอยู่บนพระแท่นที่ใต้ต้นอสัตถพฤกษ์นั่นเองทรงพิจารณาสิ่งที่เรียกว่าปัจจัยาการคือปฏิจจสมุปบาท โดยพิจารณาทบไปทบมาเขาเรียกว่าสายเกิดกับสายดับสายเกิดนั้นก็ทรงพิจารณาว่าเพราะวิชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารเพราะสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลาญตนะเพราะสลาญตนะเป็นปัจจัยจึงมีพัสสะเพราะพัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนา พระเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพรา ะ, ะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีปาทานรูปปาทานเป็นปัจจัยจึงมีภพพระภพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณะเป็นต้นกองทุกข์ทั้งมวลก็เกิดขึ้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ ต่อจากนั้นก็พิจารณาในสายเขาเรียกว่าปัติโลมคือสายดับโดยทรงพิจารณาว่าเพราะความดับไปด้วยมรคคือวิราคะอภิชาจึงดับเมื่อวิชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับเพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับนามรูปดับสลาจตนะจึงดับ พัสดายตนะดับผัสสะจึงดับเมื่อผัสสะดับเบทนาก็ดับเพราะเวทนาดับตันหาก็ดับเพราะตันหาดดับอุปาทานก็ดับเราะอุปาทานดับพบก็พก็ดับเพราะพบดับชาติก็ดับเมื่อชาติดับชรามรณะโศกเป็นต้นก็ดับการดับแห่งทุกทั้งมวลก็เกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ ต่อจากนั้นก็ทรงเปล่งพระพุทธอุทานว่าเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้เพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นความสงสัยของพรามนั้นย่อมหมดสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุต่อจากนั้นก็ยกปฏิจจสมุปบาทชุดเดิมนั่นเองขึ้นมาพิจารณา ทั้งสายเกิดและสายดับภาษาบาลีตั้ใช้คำว่าโดยอนุโลมคือตามลำดับและ ป, ปฏิโลมคือถอยกลับพูดง่ายๆว่าสายที่เกิดก็สายดับเสร็จแล้วก็ทรงเปล่งพระพุทธฐานอีกครั้งหนึ่งเพเมื่อใดทาทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้เพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้น ความสงสัยของพรามนั้นย่อมหมดสิ้นไปเพราะมารู้ความสิ้นแห่งปัจจัยทั้งหลายแล้วก็ยกขึ้นมายกปฏิจจสมุปบาทนั่นเองขึ้นมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งกลับไปกลับไปแตป่ปรงเปล่งพุทธอุทานว่าเมื่อใดพราม ยาดาหาเวปาตุภวันดิธมาคือเมื่อใดพรามทั้งหลายผู้มีความเพียนเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามนั้นย่อมกระจัดมานพร้อมด้วยเสยนามานันเหมือนพระอาทิตย์กระจัดมืดส่องแสงสว่างขึ้นมาเะนนั้นนี่คือการพิจารณาปฏิจจสมุปบาท ในตลอดเจดวันที่ประทับอยู่ภายใต้ต้นโพกลับไปกลับมากลับมากลับไปแล้วก็เปล่งพระพุทุธานขึ้นในราศีทั้งสามพอต่อจากนั้นได้เสด็จไปผ่านไปแล้วเจ็ดวันก็ไปประทับที่ต้นใส่ชื่ออัจจปานนโครธในที่นั้นพรามคนหนึ่งชื่อหุงหุงกระชาิ เลยมากราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าบุคคลจะเป็นพรามด้วยคุณธรรมอย่างไรและบุคคลเช่นไรที่ได้ชื่อว่าเป็นพรามได้ทรงแสดงว่าบุคคลใดก็ตามที่มีบาปประทรมลอยได้แล้วไม่มีกิเลสฟูขึ้นภายในใจจนเป็นเหตุข่มขู่คนอื่นด้วยคำหยาบก็คือ ไม่มีกิเลส ท, ที่เป็นประดุดน้ำฝาดย้อมใจจิตใจจะไม่ฟูขึ้นรูฟุบลงในอารมณ์ทั้งหลายของโลกบุคคลผู้เป็นเช่นนั้นมีอาการเช่นนั้นควรจะเรียกว่าพรามโดยแท้โดยธรรมต่อจากนั้นอีกเจ็ดปัน ก็ได้ไปเสด็จประทับอยู่ที่ต้นจิกชื่อวมุจจิรินเวลานั้นฝนที่ไม่ใช่ฤดูคือไม่ใช่ฤดูฝนแล้วก็เป็นเดือนเจ็ดตอนต้นนะนั้นเองก็ได้ตกพรามมาตลอดเจ็ดวันพระยานาคชื่อวมุจจิรินได้ขึ้นมา แปลงกายเป็นพญานาะคคือมาด้วยเพศของพญานาะคและวงขนดรอบพระพุทธสริระของพระพุทธเจ้าแล้วก็แผ่พังผ่านปกประเสียนไว้ด้วยความรู้สึกว่าลมฝนอย่าได้ตกต้องพระบรากายของพระพุทธเจ้าเมื่อฝนหายไปแล้วท่านก็คลายขนดแปลงเพศเป็นมานพยืนถวายบังคมพระพุทธเจ้าอยู่ พระเจ้าก็ทรงเปล่งพร ะ, พ, ระพุทธพุทธานณว่าความสงดเป็นความสุขของผู้ที่ต้องการความสงบการไม่เบียดเบียนกันคือการสารวมระวังในสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขในโลกเพราะบุคคลสามารถสำรอกกามออกไปจากใจได้เป็นความสุขโดยแท้ ต่อจากนั้นอีกเจ็ดวันได้เสด็จไปประทับที่ต้นเกศที่ราชาัตนะมีพ่อค้าสองคนมาจากอุกระชนบทเูืไปพาขายตามปกติเทวดาซึ่งเคยเป็นญาติของพ่อค้าทั้งสองนั้นก็ได้ปรากฏตัวแสดงให้พ่อค้าทั้งสองทราบ ่อกว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ได้ตรัสรู้ใหม่ๆเธอทั้งสองจงนำข้าสูตุก้อนสูนผงซึ่งเป็นสเสบียงไปถวายพระพุทธเจ้าจะได้เป็นส่วนแห่งบุญแห่งกุศลของเธอทั้งหลายต่อไปพ่อคาทั้งสองก็เข้าไปหาพระพุทธเจ้าถวายข้าสูตุก้อนสูนผง น้อมข้าวสตุก้อนสตุผพงเข้าไปถาไวายแต่ในขณะนั้นพระพุทธเจ้าไม่มีบาทก็เลยทรงตรัสดำมปิว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจะไม่รับของด้วยมือเราจะรับข้าวสตุก้อนสตุพพงด้วยอะไรดีถ้าจตุมาราชทั้งสี่ได้ทราบประวรตกของพระพุทธองค์ก็น้อมบาดชิลา มาถวายแล้วกราบทูลว่าคอยรับบาทด้วยบาทศิลานี้พระพุทธเจ้าก็รับข้าศัตรูก้อนศตุผงด้วยบาทศิลานั้นตัปุสสะ พ, พันลิกะได้กราบทูลแสดงตนเป็นอุบาสกถึงรัตนะสองคือพระพุทธเจ้ากับพระธรรมเป็นสะนะตลอดชีวิต ต่ขอให้พระพุทธเจ้าจำทรงท่านไว้ด้วยว่าท่านเป็นอุบาสกผู้มอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงตลอดชีวิตนี้แล้วก็หลีกไปหลังจากนั้นได้เสด็จมาประทับที่ต้นอัจชบาในโครธอีกครั้งหนึ่งได้ทรงพิจารณาถึงธรรมที่พระองค์ จ, ะจะัดสรู้คือโดยเฉพาะอย่างยิ่งปฏิจจสมุปบาทที่ว่าแล้ว โดยทรงพิจารณาเห็นว่าอยังธรมโมกัมพีโรดุดเดโซดูรานุโบโทสันโตปณิโตอัตกรมวัจณีโยนิปุโนปันิตะเวเดนีโยคือว่าธรรมะเหล่านี้ลึกซึ้งกัมพีโรลึกซึ้งดุดเดโซรู้ได้ยากดุรานุโบโทเข้าใจได้ยาก สันโตสงบปณิโตปณี ต, ณตนิปุโนละเอียดอัตามาะัจโรบุคคลไม่อาจจะรู้ได้ด้วยความคาดคะเนด้วยความตรึกเอาด้วยความคาดหมายเอาปัิตะเวดนิโยเป็นวิสัยของบุคคลผู้เป็นบัณฑิตเท่านั้นจะรู้ได้และในที่สุดก็สงรงใช้ทิพเนธทิพจักสุทอดดูทอดปณีดูสัตวโลก ก็พิจารณาเห็นว่าสัตว์ตโลกทั้งหลายนั้นรื่นเริงอยู่ในอะไรเพลิดเพลินอยู่ในอะไรสยบติดอยู่ในอะไรการจะแสดงธรรมะซึ่งมีลักษณะดังกล่าวแก่คนซึ่งมีลักษณะเช่นนั้น <c oughs> ก็ไม่สามารถที่จะให้เขารู้เขาเข้าใจได้ต่อจากนั้นท่านเรียกว่าอนัตชริยากัถา คือคาถาที่อัศจรรย์และบางเกิดขึ้นภายในพระไทัยของพระพุทธองค์ว่าเราไม่ควรจะแสดงธรรมจึงเราจะสรุมาโดยยากแก่สัตว์ทั้งหลายซึ่งรื่นเริงอยู่ในอะไยเพลิดเพลินอยู่ในอะไรสยบจิตอยู่ในอะไรเช่นนี้เพราะแสดงไปสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่รู้ มันไม่รู้คืนแสดงมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรท่านเป็นการเหน็ดเหนื่อยเปล่าๆในขณะนั้นท่านบอกว่าทา้บบาวสามบดีพรมซึ่งเป็นอธิบดีแห่งโลกได้ทราบทราบความปริวิตรของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ได้อันตรธานมาจากเทวโลกปรากฏเฉพาะพระภักของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยความดําริว่าโลกพินาศแล้วโลกสิบนายแล้วพระพุทธเจ้าทรงขวนขวายน้อยเสร็จแล้วจะไม่แสดงธรรมแก่โลก ก็ามากราบทูลว่าเมื่อก่อนแต่การอุบัติของพระองค์นั้นทมที่ไม่ใช่ธรรมแต่มีการเผยแพร่สั่งสอนกันอยู่ทั่วไปขอพระองค์ผู้ป พ, พิชิตมารผู้เป็นพระสัพพัญจูได้เปิดประตูามาตะแสดงธรรมแก่สัตว์โลก ในขณะนั้นเองพระกรุณาก็พระปัญญาพระกรุณาก็บังเกิดขึ้นภายในพระไัยของพระพุทธเจ้าก็ทรงสวจดูว่าสัตว์โลกนั้นเอาเขาจริงมันก็มีอยู่หลายประเภทโดยเปรียบเหมือนกระดอกวัวทั้งสี่เหล่าและในที่สุดก็ทรงรับมาราธนาว่าจะแสดงธรรมโดยรับสั่งแก่ท่านสัมบดีพรหมว่า ประตูอมตะเราเปิดแล้วเพื่อท่านจนทั้งหลายผู้มีศรัทธาจงปล่อยศรัทธามาเถิดจากนั้นก็เป็นการตัดสินพระไทยที่จะแสดงธรรมพระทรงพิจารณาเลือกบุคคล่างที่ทราบกันว่าจะแสดงธรรมแก่ใครก่อนดี ตอนต้นก็พิจารณาถึงอาจารย์ทั้งสองแต่ก็รู้ด้วยพรายานในการกราบทูลของเทวดาว่าอาจารย์ทั้งสองนั้น阿拉าาดาบทตายไปเมื่อก่อนนั้นอีกเจ็ดปันอุทกราบทตายไปเมื่อวานนี่เองก็พิจารณาถึงท่านปัญจพักคีโดยทรงเห็นว่าท่านปัญจพักคีนั้นได้อบรมสั่งสมในด้านนี้มานาน มีบุนิสัยที่สามารถจะเรียนรู้ได้จึงตัดสินพระไทยจะสั่งสอนธรรมะแก่พระปัญจวัคคีย์เป็นกลุ่มแรกแล้วข้อความตอนนี้ที่จริงไม่ได้ปรากฏในพระสูตรนะครับท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นเรื่องออกี่ออกจะแปลกธรรมะที่เราศึกษากันแพร่หลายแล้วก็จำกันได้พอสมควรนั้นกลับไปอยู่ในพระวินัยบิดก อยู่ในพระวินิรดกเล่มสี่นะมหาวัตอนัตก็อยู่ในที่นั้นธรมมจักรก็อยู่ในนั้นอันเด็์ก็อยู่ในนั้ น, อ น, อ, น, น, นอนุบุพีกถาก็อยู่ที่นั้นแต่ที่จะไปอยู่ในพระสูตรไปอยู่ตรงนี้อยู่ในช่วงของพุทธประวัติแล้วปัญหาสำคัญอย่างยิ่งก็คือว่าโยมไม่อ่านวินยัยโยมไม่ได้อ่านวินยัยพระสูตรก็ไม่ก็ได้อ่านกันเท่าไหร่ทั้งว่าเ อ, อ นี่เป็นข้อความเฉพาะในพระไตรปิฎกจริงๆนะฮะเอาเฉพาะในพระไตรปิฎกจริงๆส่วนที่นำมาเรียบเรียงเป็นพุทธวัตินั้นอย่างที่บอกแล้วว่าเป็นการปฏริติดประตอร่อคือเอาข้อความจากตรงโน้นตรงนี้มาต่อเชื่อมกันตามลำดับเหตุการณ์บางตอนก็เอามาจากอัตถกถาพระพุทธเจ้าจะเอามาเล่าเป็นตอนตอนตอ น, ตอ น, นั้นเองคือไม่ใช่ว่ามานั่งเขียนประวัติของตัวเองให้เพื่อนก็อ่าน แต่เราก็ต้องไปติดตามมาเองว่าพระองค์รับสั่งอะไรไปที่ไหนบ้างเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติเราก็มารวบรวมไว้ก่อนแล้วก็มาต่อกันเชื่อมกันว่าอะไรควรจะเกิดก่อนอะไรควรจะเกิดหลังก็ที่จริงก็กําหนดได้นะฮะ่ารู้อะไรเกิดก่อนเกิดหลังลในข้อนี้มีประเด็นที่น่าศึกษาและออกจะยากซึ่งอตาตมาก็เห็นว่าช่วงนี้มันก็เข้ามาถึงโมหะพอดี ก็ปรับพื้นฐานกันตรงนี้ให้ฟังปฏิจจสมุปบาทในแนวของพระสูตรไปก่อนต่อไปเราจะลองเข้าปฏิจจสมุปบาทสักระยะหนึ่งคือกข้าวนานนะฮะปฏิจจสมุปบาทถ้าเข้าวไปแล้วก็ไม่ใช่วันสองวันเพราเรื่องใหญ่แล้วก็ออกจะยากปกติเราจะไม่ค่อยพูดกั น, นต้องอาศัยพื้นความเข้าใจต้องปูพื้นฐานของผู้ฟังมานานปพอสมควรแต่เป็นกานพูดกันยาก พระเทราบางรูปจะไม่ยอมเทศปฏิจจสมุปบาทเลยประเทศกันเดียเทศไม่ได้ทางเทศกันหลายวันเรียกก็ต่อต่อกันไปปฏิจจสมุปบาทที่ทรงพิจารณาทบทวนนั้นท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเป็นการพิจารณาทบทวนหลังจากศัสรุแล้วเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังต้องพิจารณาทบทวนอยู่ตั้งเจ็ดวันนะครพระพุทธเจ้าเองยังพิจารณาทบทวนอยู่ตั้งเจ็ดวัน ไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญเป็นธรรมะที่ทรงแสดงลักษณะนี้ฮะคำพีโรมันลึกยิ่งลึกท่านทั้งหลายลองดูปานอาทิบา ต, ตัวเดีย ต, ตัวเดียวตรงที่ยกตัวอย่างมาแล้วมันลึกลงไปอย่างเงี้ยฮะลึกลงไปจนจนสุดอย่างบางครั้งเราไม่รู้ว่า น, นั้นคืออาการของปานอาทิบาตเช่นว่าเกิดมาไอคนนี้มันจะตายสักทีปานอาทิบาตลึกๆนะฮะอันปานอาทิบาตลึกๆ แต่ว่าตื้นๆเราก็ไม่นึกว่ามันจะเป็นอะไรที่จริงใจนั้นมันเกิดด้วยโทสะโมหะมันเรื่องอะไรละ่ะก็เกิดมาก็าจะตายไม่ตายมันเดือดร้อนอะไรเราแล้วก็นึกแช่งให้เขาตายมันมีทั้งโมหะมันมีทั้งโทสัยแต่ตัวมันลึกนะเราเราไม่รู้อาการของมันแล้วเราก็เพลินเพลินเวียงกันเองบางครั้งก็ปล่อยให้พวกนี้ครอบงําใจอยู่ได้นานๆเพราะเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรพระพุทธเจ้าจึงทรงสแสดงว่า บุคคลไว้สี mind, ่ประเภทนะคคนประเภทหนึ่งไม่รู้ตามความเป็นจริงด้วยนะฮะตัวเองนี่ไม่รู้ตามความเป็นจริงด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเองนั้นไม่รู้ตามความเป็นจริงด้วยคือโง่ประเภทบรมโง่เลยฮะโง่โง่ดับเบิลนะคือโง่สองชั้นประเภทที่สองนั้นไม่รู้ตามความเป็นจริงแล้วก็คิดว่าตัวเองรู้ตามความเป็นจริงพวกอวดฉลาดทั้งหลายนะฮะ รู้อะไรนิดๆหน่อยๆอ่านหนังสือมาสักเล่มหนึ่งแล้วก็บางคุยมาอวดมาแสดงวาทะบุหันอีกประเภทหนึ่งรู้ตามความเป็นจริงแต่ว่าตัวเองไม่รู้ว่าตัวนั้นรู้ตามความเป็นจริงนี่มีปัญหามันกันนะฮะรู้ตามความเป็นจริงแล้วที่จริงฮะแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวนี้รู้ตามความเป็นจริงนะฮะประเภทที่สมนั้นรู้ตามความเป็นจริงด้วยแล้วก็รู้ตัวเองก็รู้ว่าตัวนั้นรู้ตามความเป็นจริงด้วยเพราะงั้นประเภทที่4ี่เนี่ย คือประเภทจริงๆประเภทจริงๆในแต่และชั้นที่เราใช้คําว่ารู้รู้จริงๆในบรหารศาสนาคือรู้ประเภทที่สี่ปัญหาของเราเวลานี้ที่มีปัญหาอายู่มากคือมาจับทิศทางสังเกตเวลานี้าข่าวคลาลอะไรต่างๆเนี้ยเกิมันมีปัญหาว่าคนเราก็ออกมาสี่ประเภทเหมือนกันประเภทหนึ่งไม่รู้ไม่ชี้บางเรื่องมก็ดีไปเหมือนกันไม่รู้ก็ไม่ชี้ แต่บางครั้งก็ละเลยต่างๆนะฮะประเภทหนึ่งคือไม่รู้แต่ดันชี้นี่ยุ่งจังเลยนะยุ่งจังพวก น, นี้จนจ้านได้เกินอีกประเภทหนึ่งรู้แต่ไม่ยอมชี้เป็นพลังที่ศูญเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นแก่ชาติบ้านเมืองยกตัวอย่างว่าพระเราศึกษาเราเรียนอะไรแต่ไรมาแล้วไม่ยอมแนะนําสั่งสอนบอกรล่าวชาวบ้านเป็นบุคลากรที่ไม่มีประโยชน์ ต่อสังคมนะฮะมีประโยชน์ในส่วนตัวท่านเองนั้นมีแต่ว่าไม่ทำตัวเป็นประโยชน์ต่อสังคมหลักของพระพุทธศาสนาจึงรู้ด้วยแล้วก็ชี้ด้วยชี้เฉพาะในสิ่งที่ตัวรู้แล้วก็ชี้ให้เหมาะสมแก่สิ่งที่เขาควรจะรู้ปฏิจจสมุปบาทนั้นก็เริ่มที่อวิชชาก็ตรงตรงนี้ถือว่าเราเรือโครมไปก่อนนะฮะเพราะว่าชั่วโมง น, นเอาเราวาไปก่อน อวิชชานั้นก็คือต้นข้าวของสัพพกิเลส ท, ทั้งหลายโดยพื้นฐานจริงๆนั้นคือประเภทที่สีที่ว่านี่ฮะคือไม่รู้ตามความเป็นจริงอวิชชานั้นมันก็มีอยู่หลายประเภทนะฮะไม่รู้ตามความเป็นจริงและก็ไม่ตัวเองก็ไม่รู้ว่าตนนั้นไม่รู้ตามความเป็นจริงอันนี้มืดบอดเขาเรียวกว่าอันทพานอันทะ อันทาก็คือมืดนะฮะาระก็คืออ่อนปัญญาน้อยอันทาก็คือมืดปัญญาก็น้อยก็มืดเลยเต๋อเต๋อเลยนะแล้วประเภทที่สองนั้นก็รู้พอสมควรก็เรียกว่ารู้ตามตัวเองนั้นไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่เข้าใจว่ารู้ใช่วหเรื่องเรื่องหลักของอริยสี่เนี่ยที่มีปัญหา ในชั้นของการเรียนการสอนในโรงเรียนพวกครูบางคนเอ้ยอริยสัจ ส, สีที่พระพุทธเจ้ารู้ไม่เห็นมีอะไรเราก็รู้อันนี้คือตัวเองไม่ไม่รู้ตามความเป็นจริงแต่เข้าใจว่ารู้เขาไม่ได้รู้อย่างนั้นหรอกรู้อย่างนั้นเด็กมันก็ท่องได้ทุกสมุดไทยนิรุนมากนิดเดียวไม่ได้รู้ระดับนั้นนี่ก็คืออวิชชาได้แก่การไม่รู้อริยสัจ ส, สี่เพรางั้นถ้าพูดถึงอวิชชาเต็มรูปนะฮะอวิชชาเต็มรูปนั้นจะไม่รู้ระดับที่สี่นะฮะ คือรู้ตามความเป็นจริงและเกิดญาณขึ้นภายในใจรู้ว่าตนรู้ตามความเป็นจริงถ้าไม่ถึงจุดนี้ยังเป็นอวิชชาอยู่จับนั้นจะละเอียดยาหยาบละเอียดไม่รู้นะฮะมันก็หยาบลงไปมันละเอียดลงไปได้ตามลําดับแต่ถ้าไม่ถึงจุดที่สี่แล้วก็ถือว่าไม่รู้อวิชชา จ, จึงหมายถึงการไม่รู้อริยสัจ ท, ทั้ง4ี่หรือพูดว่าไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทมันก็คือกันพระพุทธเจ้าจะแสดงเป็ น, เ ป, นเป็นแม่บทตายตัวลงไปเลย อวิชาอัตวัตถุกาลุเขอัญญาน낭ดุกะสมุทเดยอัญญาน낭ดุกะนิโรเจัญญางคือไม่รู้ทุกไม่รู้เหตุเกิดแต่งทุกขไม่รู้ความดับทุกไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงจึงความดับทุกอาตีเตยัญญังไม่รู้การอันเป็นอดีตอนาคเตยัญญังไม่รู้การอันเป็นอนาคตก็คือไม่รู้พบที่ว่าตะ ก, กี้นี่ฮะและอตีตานาคเตยัญญังไม่รู้หมด <laughs> ไม่รู้หมดทั้งอดีตทั้งอน า, าคตก็มั่วดีเหมือนกัน แล้วก็จบจบด้วยปฏิจจสมุปาเดยัญญาหนังไม่รู้ปฏิจจสมุปาตแต่ว่ารู้ประเภทที่สานะฮะอย่งเออ ป, ประเภทที่สนะไม่รู้ประเภทที่4แต่ยังบอกแล้วว่าคนบางพวกเนี่ยมันจะอยู่ทั้งได้ทั้ง4ี่จุดได้ทั้ง4ี่จุดที่ว่าอะไรก็เรียกว่าอะไระภาษาไทยเราก็เรียกว่าไอ้นะหูป่าตาตาเถื่อนอะไรเรียกว่า คือไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะคนบางกนไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้อะไรเหตุผลอะไรนะเราจะลืมว่าอริยสัจสี่คือกฎของเหตุผลนั่นเองระดับสามัญทั่วไปก็คือคนที่ไม่รู้เหตุผลไม่รู้เหตุผลระดับที่ลึกซึ้งลงไปก็อย่างที่ว่ามาแล้วทีนี้สังขาร น, นั้นคืออะไรเอาเฉพาะความหมายของคำไว้ก่อนนะฮะวันนี้เอาจะพาะความหมายของคาสังขาร น, นั้นก็คือสิ่งที่ปรุงแต่ง ประทรงแสดงสองแนวนะฮะแนวที่เป็นเหตุกับแนวที่เป็นผลแนวที่เป็นผลนั้นก็คือกายสังขารสภาพที่ปลนบลือกายและท่านทั้งหลายจะเห็นว่าเราม่อจะพูดถึงเหตุกับปัจจัยเหตุปัจจัยตัวเหตุนั้นคือตัวเนื้อหาหลักมันขาดไม่ได้แต่ตัวปัจจัยณนะขาดนิดหน่อยได้อย่าขาดมากนะขาดมากก็ยุ่งเหมือนกันนะ เ, เพราะฉะนั้นสังขารที่เป็นตัว ผลก็คื อ, อากายสังขารลมหายใจเข้าออกปรนปรือกายฮะปรนปรือกายไว้เขาเรียกกายสังขารตราบใดที่ลมหายใจยังมีอยู่โยมไม่ตายรับรองได้เลยนะแต่ถ้าลมหายใจหมดถึงแม้อย่างอื่นยังอยู่ก็รับรองฮะเรียบร้อยนี่คือตัวหลักมันทีนี้ปัจจัยด้านโยมอาจจะแขนขาดไปบ้างอะไรต่ออะไ ร, ะไรบ้าง ก, ก, ก็ยังไม่เป็นอะไรนะฮะถ้าลมหายใจยังอยู่ ทีนี้กายจะสังขารวจีสังขารวจีสังขารก็หมายถึงการแสดงออกต่างๆได้แก่วิตกวิจารคือเราคิดก่อนทำเราคิดก่อนพูดโยมจะเห็นว่าถ้าเราไม่ทำโดยไม่ดันคิดเนี่ยนั่นก็คือความเผลอเรอหรือาการละเมอความหลงลืมต่างๆพวกนี้จะต้องปรนปรือให้การแสดงออกของเรานี่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าต้องคิดก่อนทาคิดก่อนพูด พราะ น, นี่ก็เรียกกายว่าจีสังขารแล้วก็จิตตัดสังขารที่ปลนปลือจิตเราอยู่นี่ฮโยมลองลองสังเกต ด, ดูจิตฮะมันมีสัญญากับเวทนาคือความจํารูปจําเสียงจํจจากลิ่นจํารสจําผลตภะจําอารมณ์กับเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาภายในใจภายในใจเรามีอย่างเนี้ยลองดูไม่ไม่เคยว่างจากเรื่องเหล่านี้เลยหลับยังอุตสาวฝันนะฮะไม่ใช่เล่น มันไม่ว่างเลยนะพวกนี้อยู่อยู่อย่างเงี้ยมันปนเปือจิตอย่างเงี้ยถ้าขาดพวกนี้จิตก็หมดเหมือนกันนี่คือสังขารสังขารที่เป็นส่วนทวนผลนะทีนี้สังขารที่เป็นส่วนเหตุซึ่งให้เกิดผลเป็นลักษณะนั้นก็แบ่งออกเป็นสมประการเหมือนกันการแรกเขาเรียกว่ายกบาลีนิดหน่อยนะแต่ไม่เป็นอะไรยกบาลีแล้วแปล ปุญญาพิสังขารสังอภิสังขารคือบาปปรนปลือจิตด้วยบาปเราจะเห็นว่าบางครั้งจิตเราขุนมัวหมกมุ่นอยู่เรื่องนี้เรื่องบาปเรื่องอะไรอิจาริษยะอากาศประยบบาทยุบไปหมดเลย อ, อันนี้ก็พวกบาปแล้วพ อ, พอมันปรุงจิตได้แล้วก็ทําให้คิดได้นึกนะทำให้คิดได้นึกถ้ามันอไอฝ่ายชั่วมาปรุงจิตมันก็นึกคิดไปทางชั่วแล้วก็ออกมาทางชั่วนี้พวกเหตุอีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่า บุญญาพิสังขารอภิสังขารคือบุญปรุงปรุงด้วยบุญปรุงด้วยความดีเมตตากรุณามุจิตาอะไรอะไรเนี่ยฮะขันติโสรัจจะสติสัสมมาัญญะมันปรุงกิตเพราะฉะนั้นพอปรุงกิตเสร็จแล้วเราก็เริ่มคิดตามมันคิดตามมันประทามพูดตามมันออกมาดีเกี่ยวกันหมดนะฮะแยกกันไม่บอกแล้วพวกเนี้ยแล้วก็ชั้นหนึ่งก็เรียกว่าอเนนชาพิสังขารเป็นสภาพจิตติพัฒนาขึ้นไปด้วยระบบสมาธิดีฮะ โดระบบสมาธิจนถึงบรรลุฌานนะจนถึงรูปฌานอารูปฌานนะมันยังเป็นสังขารเพราะมันสร้างพบเป็นฌาบนบรรลุฌานและยังต้องเกิดนะฮะยังต้องเกิดยังต้องมีพบมีชาติเป็นพระนาคามีแล้วยังมีพบมีชาติอยู่คุยว่าจะยอมรับประเภทเดียวเท่านั้นเองไม่มีพบมีชาติพระอาหารหันต์เท่านั้นเพราะงั้น <c oughs> สองอย่างนี้ถ้าท่านทัน้งหลายจะมองอีกภาพหนึ่งนะฮะ อย่าลืมมรธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นทรงแสดงโดยปริยายแต่จะเหมือนกันโดยความรูปแบบค่อยคําที่ใช้นั้นอาจจะต่างกันแต่โดยเนื้อหาแล้วพูดเรื่องเดียวกันเป็นบหานที่ว่าคนนี้พูดอย่างนี้เข้าใจแต่คนบางคพูดอย่างนี้ไม่เข้าใจมันต้องพูดอย่างอื่นต้องใช้คําอย่างอื่นซึ่งเขาคุ้นเคยมากกว่าพอมาสองอย่างนี้มันก็เกิดเกิดเป็นวิญญาณ วิญญาณมันก็มีสองอย่างแต่ว่าโยมอย่าลืมนะฮะว่าวิญญาณตอนนี้วิญญาณส่วนเหตุก็คือปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณที่เกิดขึ้นมาจากอาวิชาก็คืออะไรนะฮะอวิชาคือกิเลสสังขารก็คือบุญบาปนะฮะสังขารก็คือบุญบาปได้แก่อะไรได้แก่กรรมตราบใดยังมีกิเลสยังมีกรรมก็สร้างวิญญาณขึ้นมา ที่เหมือนเหมือนอุปมาให้ฟังที่พระพุทธเจา้าทรงประมาเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดมันเก็บไปทุกอย่างในเมล็ดพืชเล ม, เ ล, มเล็ดเดียวแต่มันรอคอยเหตุปัจจัยแต่นั้นเองแต่ประเด็นสําคัญว่าจะงอกหรือไม่งอกมันก็ตัวประเด็นหลักมันก็อยู่ที่ว่ามันมีอย่างเดียวอยู่ในพืชไหมประการที่สองก็คือแกได้อุณหภูมิที่เหมาะสมซึ่งมีปัจจัยเกือกูลให้ให้หนอมันแตกได้ไหม ถ้าได้อุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยแล้วก็พืชไม่แห้งกรอบไปนะฮะได้ปัจจัยสนับสนุนแกตตอแตกหน่อเพราะงั้นไ อ, อย้ยางเหนียนั่นก็คือกิเลสเปรียบเหมือนกิเลสนะฮะอุณหภูมิที่เหมาะสมดินปุ๋ยอะไรเนี่ยฮะมันก็เปรียบเหมือนกับกรรมหน่อมันก็เปรียบเหมือนวิญญาณถ้าสามอย่างนี้ยังมีอยู่นะฮะพืชเมล็ดใดก็ตามเราลองมาปลูกกันได้ตลอดเหมือนมะพร้าวอ่ะมะพร้าวเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้มันงอกอันที่เพื่อนกินเด้๋ยก็แย่นะฮะ เอาไปคั้นเป็นกะทิจะแย่วันๆแต่ก็ยังมีส่วนหนึ่งออกมาจนได้โลกมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะงั้นถ้าสมปัจจัยนี้มันก็ก่อเป็นรูปชีวิตเรเรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณทีนี้ถ้าบุหารอื่นอย่างพระพุทธเจ้าท ร, ทรงสแสดงในมหาตัณหาสังกยสูตรไม่ทรงใช่อย่างนี้ไม่ทรงใช่อย่างนี้ทรงสแสดงว่าปัจจัยสประการมารดาบิดาร่วมกันมาร์มารดาบิดามีรดูะสะแสดงเฉพาะชีวิตมนุษย์นะฮะ มารดามีระดูมารดาบิดาร่วมกันคันทัพโพหรือปฏิสนธิในคันจะฆ่าไปตั้งมันกคค็คือเรื่องเดียวกันนะฮะคือเรื่องเดียวกันแต่ตัวคันทัพโพนั้นก็คือองค์ประกอบ3อย่างนี้อวิชาตันหาไม่ใช่อวิชาสังขารวิญญาณพอเกิดวิญญาณก็เกิดเป็นนามเป็นรูปขึ้นมานามมารูปก็เกิดรูปก่อนนะฮะแต่ว่าตัววิญญาณพวกนี้มันเป็นนามทั้งหมดใช่ไหมพอรวมเข้ามันก็รูปเพราะงั้นรูปมันก็เกิดทีหลัง ก็เกิดเป็นเป็นนามารูปขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงอีกสูตรหนึ่งเป็นรูปซึ่งในวงการแพทย์ในตื่นเต้นมากพุเจ้าแสดงลักษณะของรูปในในคันของคนเนี่ยตั้งแต่เจ็ดวันแรกเลยรูปร่างลักษณะเป็นยังไงล้วจะทรงแสดงมาโดยลำดับเรื่องนี้เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์เคยถามพระอาจารย์สมชายนะฮะแล้วก็เขาก็ฟังมาแล้วก็มาถามอาตมาทีนะ่ามาก็ ก็ต่อไปแล้วเราก็สงสัยว่าวิชาแพทย์คนพบไปไหนก็ไปยืมตำราแพทย์มาดูเออก็น่าดูเหมือนกันแต่รู้สึกว่าแพทย์ได้ไม่ได้บอกตอนเจวันนะทุกวันก็บอกได้และอย่างพระเจ้าเหรอพระเจ้าบอกลักษณะไว้ตั้งแต่เจ็วันเพราะงั้นก็คืนนี้ก็คือนามมารูปนามก็คืออะไรนะฮอย่าลืมาเรามาขันห้าันห้าจะเรากานหน้ามันเป็นรูปแล้วเพราะงั้นนามก็คือพวกตอนนี้ก็พวกอะไรเวทนาพวกสัญญาเนี่ย ตัสัญญาสังขารตอนนี้ก็อาจจะเกิดเกิดแล้วนะฮะ ส, สญญังขารตัวเวทนาสัญญาสังขารแนวเนี้ยวิญญาณต่อไปก็ อ, ออกมาบินญาณทางตาวิญญาณทางตา้ญญาาตาวยแต่ยังตอนนี้อายตนะยังไม่เกิดครั้งแรกเนี่ยอายตนะยังไม่เกิดพวิญญาณก็นามรูปพอนามรูปมันก็เกิดอายตนะหมายความว่าไอต้ตัวรูปตัวรูปเนี่ยมันเกิดเปลี่ยนไปจนถึงแจกแตกเป็นกิ่งสาขาห้าหาแจกแล้วนะฮะสมทุพคนเนี่ย แต่เรียกปัญจะสาขาคือแตกเป็นหขาแฉกแล้วอายตนาก็เริ่มปรากฏพอปรากฏมันก็หลุดออกมาจากนอกคันนะพราะอายตนาสมบูรณ์นี้ให้ต้องหลุดมานอกคันได้ก่อนเกิดแล้วพอเกิดแล้วตาก็เห็นรูปมันก็เกิดเป็นผัสสะใช่ไหมเพราะนั้นอายตนะก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจเพราะนามรูปเป็นปัจจัยถ้าไม่มีนามรูปสองอย่างนะฮะมีแต่รูปเฉยๆไม่มีนามก็ไม่ได้ไม่เกิดอายตนะหรอก แล้วถ้ามีแต่นามเฉยๆไม่มีรูปก็ไม่มีอายตนะมันต้องบวกกันสองอย่างนี้ตลอดเสร็จแล้วก็เกิดเป็นอายตนะเพราะอายตนะตาอจะมาดิ้นกายใจนะอายตนะไปว่าแหล่งเกิดที่เกิดเท่านั้นเองมันก็มีภายในภายนอกอายตนะภายนอ ก, กคือรูปเสียงกลิ่นรสผัวตภะแล้วก็ธรรมารมอย่างที่มาเคยบอกนะพระเจ้าไม่ค่อยพูดถึงธรรมารมข้อที่6ไม่ค่อยพูดนะกลับบางทีกลับและหรือกลับหรือและ เพราะเพราะแท้จริงธรรมารมนั้นได้แก่สิ่งที่ตกค้างมาจากประสาทสัมผัสของเราที่เราคิดนะโยมลองคิดดูออความคิดของเราเราเราเคยคิดนอกประสบการณ์เราได้ไหมนอกประสบการณ์คิดได้ไหมไม่มีใครคิดได้ น, ะนอกประสบการณ์แม้พระยานพระพุทธเจ้าที่เราลึกปุเพนในวาสานติยานก็จากประสบการณ์อดีตอดีตมันทะลุชาติพบไปแต่นั้นเองเราจะรู้จากประสบการณ์ของเราประสบการณ์ในอดีตทั้งหมด แต่รู้จนรู้แจ้งโลกไปหายไปเล ย, เลยแต่นั่นก็คือเกิดสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ในอนดีตเราเจาะลึกได้ขนาดไหนถ้าไม่เราถ้าเราไม่มีประสบการณ์ตรงในเรื่องเหล่านั้นเราจะไม่รู้เรื่องเหล่านี้ก็มาถึงก็พอตาเห็นรูปเป็นต้องกเกิดเป็นผัสสะคือการกระทบผัสสะเราก็มีหนะฮะก็ไม่มีผัสสะที่เจ็ดมันมีอยู่หท่านั้นแหละก็คือ เวลาเขาเรียกเต็มครจกักระสัมผัสสชาจากักระสัมผัสโสโ ส, โสตาสมัมผัสโทเนี่ยสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจพอสัม ผ, สมผัสมันก็เกิดเป็นเวทนาพอสัมผัสเสร็จเราจะกําหนดอารมณ์ทันทีเช่นว่าสมมุติว่าโยมจะไปดูนิทัศการตรงไหนชอบไม่ชอบมันก็เกิดเวทนาเอะนี่หนาวมาแสดงไงเออนี่ดี น, น่าจะเอามามากกว่านี้ <laughs> นี่มัเกิดเกิดเกิดมาจากสัมผัส ม, สมันก็กําหนดอารมณ์ว่าดีหรือไม่ดี หรือชอบหรือชังซึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าจะใช้คำสองคอาอภิชาโทมานัตอภิชาโทมนัตอภิชาก็คือชอบโทมนัตก็คือชังลักษณะการกําหนดอารมณ์ก็เราจะกําหนดในแนวนี้ส่วนมากแล้วจะเป็นแนวนี้มันมันมันมันหยาบหรือละเอียดหยาบหรือละเอียดแม้บางทีกลางกลานั้นโยมจะลองสังเกตบางทีมันหักไปในทางชอบบางทีมันหักไปในทางชังแต่ว่ามันไม่ปรากฏชัดเท่านั้นไม่ปรากฏชัดเราก็ถือว่ากลางๆงได้เลย แต่เราดูให้ดีมันมันมั น, ม น, มนต้องมีโน้มเอียงไปในด้านใดด้านหนึ่งนิดๆนะะจะเฉยๆไปจริงๆก็คงเฉยยากบางทีไม่อยากสนใจแต่ว่าจริงใจกัคิดอยู่ก็แสดงว่ามันหักไปทางไหนก็เวทนาก็ก็มี6นะมันเกิดมาจากประสาทหเวลาเ็าเรียกเต็มพระพุทธเจ้าใช้คำว่าจักขุสัมผัสชาวเวทนาความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นประจากสุสัมผัสเ ป, ป็นปัจจัย เรียกเต็มนะฮะจะเรียกอย่างนั้นความรู้สึกอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจากสัมผัสเป็นปัจจัยถ้าไม่มีตาละ่ะไม่เกิดอารมณ์สายนั้นไม่เกิดอารมณ์สายนั้นถ้าไม่มีหูก็ไม่เกิดอารมณ์สายนั้นแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ไอายควักตาออกให้ให้แทงหูะนะคือให้สํารวมพระพุทธเจ้าสอนให้สํารวมบางทีก็มีก็เหมือนไม่มีเจเพื่อตัดสัมผัส บ, บางอย่างตัดเวทนาบางอย่างพอเวทนามันก็เกิดเป็นตันหา ตัณหาจะมีสมนะฮะคือยอมจะเห็นว่าเราพูดถึงโลกกดลงแต่ทําไมเรามาพูดถึงตัณหาที่จริงเราพูดเรื่องเดียวกันนะฮะพูดเรื่องเดียวกันแต่เป็นกา ร, สรแสดงถึงลักษณะของตัณหาที่ลึก ล, ลักษณะของโลภโทสะโมหะที่ลึกโดยโดยโดยมีโมหะเป็นพื้นฐานนะฮะกามาตัณหาความทยานอยากในรูปเสียงกินรสผลัดพะคนไม่อยากเกินหอนะ่ะ อย่างอยู่นั้นแหละเท่านั้นแหละเพราะงั้นพฤติกรรมของคนเราจะเห็นว่าเป็นพฤติกรรมซ้าซ้อนมันเปลี่ยนเฉพาะคนนะฮะเปลี่ยนเฉพาะกาลเทศะลักษณะาอารมณ์คือเปลี่ยนเฉพาะรูปแบบแต่ไม่เคยเปลี่ยนเนื้อหาเลยมนุษย์ไม่เคยเปลี่ยนเนื้อหาการกระทําทั้งหมดเปลี่ยนรูปแบบนิดๆหน่นนอยๆ อ, อย่างยกตัวอย่างแม้แต่ความศรัทธาชื่อถือคนสมัยก่อนมาบูชาไฟบูชาดินบูชาอะไรคนสมัยนี้คล้ายๆแกหลุดพ้นนั่นที่จริงไม่หลุด เอาไฟมาทําเป็นทูปเป็นเทียนกับผู้ช้าไปเรื่อยๆเราไม่เคยชิงนะฮะเราไม่เคยชิงตัวเนื้อหาเลยไม่ว่าอะไรก็ตามที่เราพูดพูดกันทั้งหมดที่โลกที่แต่ปุยยะตายายรุ่นนนท์มาตั้งแต่นั้นแต่ไหนมาเราไม่เคยชิงเนื้อหาพฤติกรรมมนุษย์จึงเป็นพฤติกรรมที่ซ้ําซ้อนพระพุทธเจ้าจึงสแสดงธรรมะตอกย้ําลงไปในจุดอย่างเนี้ยเรื่องเหล่านี้มือก็พูดประวัติศาสตร์พูดไปพูดมาไม่รู้จะทํำยังไงฮะมันก็พูดเหมือนกันอย่างนั้น ก็บอกพูดซ้าํามันก็ซ้ำอ่ะประวัติศาสตร์เนี่ยมนะัจะให้พูดไม่ซ้ําได้ยังไงแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นแหละก็เรื่องมันเกิดขึ้นแล้วมันก็มีขอบขายมันท่านนั้นเองก็มาถึงก็เกิดเป็นตันหาท่านจะเห็นว่าตันหากรรมาตันหานั้นโลภชัดมากนะฮะแต่อย่าลืมถ้าออกมาในรูปนั้นโมหะก็ชัดด้วยนะโมหะแกชัดด้วยแต่ก็อยู่ข้างหลังอาการปรากฏเป็นโลภะแต่แท้จริงตัวแรงดันมันเป็นโมหะ พอมาถึงภวะตัณหาก็โลภจัดเหมือนกันโลภจัดเหมือนกันแต่โมหะอยู่ข้างหลังวิภวะตัณหาอันนี้อาการโมหะก็ชัดนะฮะโทสะก็ชัดเพราะว่าเอากระชื่ก็คือโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะทั้งหมดทนะั้งหมดอะโยมพูดตะกิเลตพหก็โลภะโทสะโมหนะนะั่นแหละแต่จะเรียกอาการกิเลตจะลือมาเรียกอาการแกท่านั้นเองเรียกอาการท่านั้น เหมือนก็โยมอยู่ในจงไหนเราเวลาเนี้ยโยมตัวนี้ก็เรียกเป็นอุบาสกอุบาสิกาแต่ปัจจุบันในคนไม่ค่อยชอบไปเป็นอุบาสกอุบาสิกากลัวจะแก่อะก็เรียกเรียกว่าพุทธศาสนาเรียกวพุทธามากะเลยก็จริงๆว่าก็คืออุบาสกอุบาสิกานะครับอุบาสกอุบาสิกาเป็นคําที่ดีนะฮะโยมจะสังเกตได้ว่าในโป๊บแกมาสังเกตฮะวันโยมรับศีนุโบสถนี่ลองดูตีปุ๊บกับโยมใครมีศีลมากกว่าโยมมีศีลมากกว่าปุ๊บนะ อามานั่งนับดูในสินภบที่แน่นอนในสข้อแต่นั้นเองแกมีคือปาณาอาทินานะไอกาเมย์ไม่เป็นอาพ ร, รมขนาดการเมย์นะมีแต่อาพ ร, รมไม่มีแน่เลยมุสามีนะฮะสุราไม่มีะฮะปะมิซาในแกนดื่มเหล้าเออเราจะเห็นว่าศินห้านี่ภพมีเพียงสีข้อแต่นั้นเองภพมีเพียงสีข้อพอถึงศินแปดแล้วตามโยมไม่ทันเลยสักข้อนะึ่งภพกินข้าวเย็นนะฮะ ว่ากินก็เย็นเต้นรำอะไรแต่ไรก็ได้ทำได้หมดเลยเพราะงั้นไ อ, ไอ้วิกานัจขีมาลาอุจจาชาตรูหมดเลยไม่มีสักข้อหนึ่งไม่ใช่บานะอุาบาสกบาจิกาใหญ่ตัวนะใหญ่กว่าโป๊บนะโยมต้องภาคภูมิในสถานะตัวเองว่าเราศีลนี่สูงกว่าแยะเลยศีลศีลเรามากกว่าแยะลยลองสังเกตดูนะฮะ ศีลข้อที่หนึ่งนั้นข้อที่สามนั้นจะมีแค่กาเมตตาเองอภรรมรักษาไม่ได้ไม่มีศีลอภรรมเลยยมดูภาพได้ที่เขาออกมานะไม่มีศีลอภรรมเลยเลยมันไม่ไม่เบานะเพราะงาั้นใครเรียกอุบาสกอุบาสิกาอะไรยิ้มยิ้มเอาไว้อย่าไปคิดว่าเป็นคนแก่เวลานี้ก็เป็นอุบาสกอุบาสิกาใช่ไหมก็อาการเวลายอมไปอยู่ที่บ้านมันก็โยมแสดงอาการหนึ่งก็ที่จริงก็คือโยมนั่นเองก็ไม่ใค่ใครนะ โลภะโทสาโมหะเหมือนกันแกแสดงอาการของแกก็ว่าไปตอนนี้เรียกตันหาเรียกตันหาเพราะอาการมันเด่นมันมัมันดันจิตมากก็เรียกว่าตันหาจึงแปลว่าความดิ้นรนทะเยอทะยานอยากของจิตมันดิ้นนะไอ้โรคก็จัดโรก็จัดหมดนะมันก็ดิ้นนะนั่นเองจัดหมดแล้วเสร็จแล้วมันก็มีอุปาทานอุปาทานมันจะออกมาสองแบบเราจะเห็นว่าจะยึดถือถ้ากรรมตันหา นั่ก็ยึดถือเป็นของเราเพราะนั้นอุปาทานจึงมีอยู่4 4อุปาทานแต่ถ้าเรียกค า, าหะพระพุทธเจ้าจะเรียกอยู่2แห่งนะเรียกคาหะจะเรียกคาหะนี่มี3ถ้าเรียกอุปาทาน้จะมีสการมุปาทานถือมั่นด้วยความคล่ซึ่งหมายความมาเกิดมาจากาาเกิดมาจากการมาตัณหาเกิดมาจากกรรมตัณหาเราก็ยึดถือด้วยความคล่ของเราของเราของเราอุหะไปเรื่อยไป ต่อไปก็อะไรทิฏฐุ ป, ปาทานยึดมั่นด้วยอำนาจทิฏฐินี่อะไรชัดฮะโมหามันชัดโมหามันชัดก็ยึดมั่นด้วยอำนาจทิฏฐิศีลพัตุปาทานถือมั่นด้วยอำนาจศีลและวัดไอ้ น, นี่โมหะจังเลยนะโมหะโลภะจังเลยเนะี่ยศีลและวัดแล้วก็อัตวาทุ ป, ปาทานไอ้ น, นี่โมหะกทรทโศสะเด่นเลยอัตวาทุ ป, ปาทานต้องฉันเท่านั้นนคนอื่นไม่เคี่อยมลองดูนะ ช้นใหญ่ชั้นโตเนี่ยเพื่อนเดินไม่ก้มนิดเดียวเกิดแล้วพุทธขึ้นมากิเลสเนี่อุปาทานฮะยึดถือว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างนั้นไอ้นี้เถียงผู้ใหญ่นี่ยเนอัตตวาตุปาทานขึ้นนะฮะอัตตวาตุปาทานขึ้นอะไรเพราะมันเกิดตัณหาคืออยากให้เขาเคารพเราอ่ะพอเขาไม่เคารพเราเขาก็เราเออพอเขาไม่เคารพเราอัตตวาตุปาทานก็ขึ้นไอ้นี้เฉียงผู้ใหญ่ไม่มีสัมมาคารามะนี่เนี่กิเลสมันเล่นเราสะบักสะบอมในวันวัน นี้ก็คืออุปาทานอุปาทานก็คือความยึดยึดอยู่ในอารมณ์ที่ไหนที่เราอยากยึดอยู่ในอารมณ์ที่เราอยากเราหลงบ้างเราอยากบ้างไม่แน่นะฮะทั้งอยากทั้งหลงทั้งทั้งทั้งโกรธอ่ะพออุปาทานมาก็เป็นอันว่ากิเลสกิเลสมันก็กลายเป็นพบเป็นความเป็นในขณะนั้นเห็นไหมฮะเช่นเช่นสมมุติว่าเรายึดถื อ, อด้วยอํานาจของตัณหาในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะ สภาพจิตเราก็เป็นอย่างนั้นคือกำหนดว่าเป็นเจ้าของอย่างนั้นนี่นี่พบในช่วงสั้นแล้วก็พบในช่วงยาวก็คือการเกิดในพบทั้งสามเพราะงั้นคำว่าพบที่จริงๆนะฮะพบจริงๆในปฏิจจสมุปบาทจริงๆก็คือพบสามแตกกมปปปป่การมาพบรูปประพบอรูปประพบการมาพบก็คือนี่แหละที่ว่ามาตั้งแต่อบายสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หกามาพบก็อพบ รูปประพบก็มีพรหมโลก16ชั้นอาลู ป, ประพบก็มีอาลูพรหมสี่ชั้นแค่เท่านั้นแหละตอนนั้นแหละที่พระพุทธเจ้าแสดงคนอื่นแสดงไม่รู้นะมีเท่านั้นแหะที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้โยมต้องสังเกตถ้าใช้พบนั้นหมายถึงที่อยู่นะฮะถ้าใช้ภูมิหมายถึงชั้นจิตชั้นของจิตที่โยมพัฒนาขึ้นไปนะฮะพัฒนาขึ้นไปสมมุติเวลาเนี่ยโยมขึ้นไปอยู่ด้วยเมตตากรุณ า, า, าุมิตาเบขาโยมก็เข้า รูปปพเป็นรูปประพรมในขณะนั้นนะขณะจิตนะโยมได้สมาธิได้ปฐมฌานปีตีสุขเอกคตาโยมก็เข้าภูมิของพรมแต่บางทีมันก็หล่นพอเกิดสมาธิหล่นปุ๊บเลยไปถึงทะเลาะที่บ้านต่อตกนรกหายเลยหล่นจากนะัหล่นจากพรมตกนรกเลยอันนี้คือภูมิภูมิชั้นของจิตมันขึ้นไปเรื่อยๆ เ, เ, เ, เนี่ยนั่นน่นภูมิจิตแต่ถ้าพบแล้วคือที่อยู่เลยที่เราจะต้องไปอุบัติเลย พระพุทธเจ้าใช้คําของพระองค์นั้นศ า, าสต์ฐานสะบ์ยัญชนะนะฮะเกวัลละปริบุญ น, นางจําตรงนี้ไว้สมบูรณ์ด้วยอัฐะพยัญชนะไม่ยอมไปยุ่งกับพระองค์อ่ะพระองค์ทํากับพระองค์ดีพระองค์ศาสตรสรู้เราเราไม่ต้องไปวุ่นวายกันนั่นอ่ะว่าพระองค์ว่ า, างไงเราว่าอย่างนั้นกันแล้วกันเนี่ยพระองค์ศาสตรสรู้เราไม่ศาสตรสรู้ไปเทศสาราแนแอธิบายได้ไหม่ไม่ได้กรนี่ก็พอมาถึงตรงนี้มันก็เกิดอย่าลืมว่าภูมินั้นชั้นจิตเพราะงั้นชั้นจิตจึงมีโลกุตตรภูมิ โยนสังเกตนะฮะภูมิสี่ภพมีสาเพราะภูมินั้นจะเป็นชั้นของจิตที่ยกขึ้นไปเรื่อยจนโลกุตระภูมิกามวจรภูมิรูปาวจรภูมิจิตมันหมกมุ่นท่องเที่ยว ว, วัจระคือเที่ยวไปหรือท่องเที่ยวไปหมกมุ่นไปครุ่นคิดไปนะฮะเราจะเห็นว่าสมมุติว่าโยมได้สมาธิใช่ไหมได้วิตกวิจารณ์ปิติสุขเอกกตาใจของโยมก็จะอยู่กันนั้นมันก็ท่องเที่ยวอยู่เป็นภูมิ เป็นภูมิจิตแต่ว่าเวลาสมมติวายมตายก็บังเกิดในรูปประพบในพรหมโลกก็ชั้นไหนก็ไม่รู้นะก็ก็ก็ขึ้นอยู่กับกําลังของฌานะฮะกำลังของภูมิจิตนะฮะกำลังของภูมิจิตถ้าภูมิแล้วภูมิเนี่ยเราคล้ายๆดูแล้วคล้ายๆความรู้เหมือนกันนะฮะคล้ายๆกับความรู้เหมือนกันมันมันมันหนดพบเราเด็กมสามละ่ะเด็กมหก็กําหนดกําหนดพบไปพบหนึ่งนะปริญญาตรีก็พบไปพบหนึ่ง เด็กปัญญาตีกับเด็กเด็ ก, ดกมสามทํางานไม่ใช่ชั้นเดียวกันหรอกมันคนละภพกันฮะเพราะว่าเราพราะภูมิภูมิรู้กับคนละภูมิกันเราดูตรงนี้จะดูง่ายมากฮะแยกเอาภูมิเป็นภูมิรู้นะฮะคิดนะคิดว่าภูมินั่นก็คือภูมริรู้จะทําให้พบคือตําแหน่งของเราีต่างกันอย่ลองนึกดูกันแล้วกันนะฮะจะเห็นว่าคนเราต่างกันเพราะภูมิมันต่างกัน นี่ช่วงสั้นช่วงแคบแคบที่เราดูได้พอขยายกว้างมันก็กลายเป็นภพต่างๆแต่ว่าโลกุตระภูมินั้นไม่มีภพไม่มีภพแต่มีภูมิเพราะเป็นชั้นจิตพระอระหันต์จึงเข้าโลกุตระภูมิแต่ท่านไม่ได้เข้าภพเพราะท่านอยู่เหนือภพแต่พระโสดาพ ร, พระโสดาพระสกิรตคาพระนาคายังเข้าภพอยู่นะฮะเข้าภพอยู่ เป็นพวกแน่นอนท่านจึงเรียกเป็นภูมิเดียด้วยครเป็นเพราะงั้นไอ้โลกุตระภูมิเนี่ยก็ได้แก่พวกที่เข้าถึงโลกุตรธรรม9ม้ามรซีผลสีนิพพานหนึ่งเท่านั้นนะครเท่านั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเฉพาะพระอาหารหันต์เท่านั้นท่านเหล่านั้นที่จัดเข้าไปด้วยเพราะท่านแน่นอนว่าท่านต้องเข้าถึงภาในวันข้างหน้านั่นแน่นอนและเกินแล้วไม่เกินเจชาติไม่เกินเจชา ต, ชาติส่วนมากแล้วจะชาติสองชาติ พอมีพบนั้นก็เป็นชาติคือความเกิดไอความเกิดนี้ได้โปรดเข้าใจนะฮะถ้าพระพุทธเจ้าสแสดงและคนอื่นสแสดงช่างเขานะฮะพระพุทธเจ้าสแสดงนี่ต้องฟังในมหาสติปัฏฐานที่พระสวดได้ฟังบ่อยๆนะฮะพระพุทธเจ้าสแสดงพระธาตุบุตรแสดงทุกคนทุกแห่งในประจัยปิฎกนี่ใช้อย่างนั้นทั้งหมดเลยมันเป็นสูตรเป็นสูตร ยาญาติสัญชาติขันธานังปาตุพาโวอายตนาณังปฏิลาโภอิยังวุ จ, จติพิกเวชาตินั่นท้าพระพุทธเจ้าแสดงกระใช้อิยังวุ จ, จติพิกเวชาติแต่ภาษาทีบุตรก็เปลี่ยนพิกเวเป็นอาวุโสเท่านั้นเองความเกิดการเกิดพร้อมการได้อายตนะความปรากฏแห่งขันของสัตว์นั้นๆในหมู่สัตว์นั้นๆอันใด ดูก่อนพิสูจทั้งหลายนี้เราเรียกว่าความเกิดติชาติปีดุขาความเกิดเป็นทุกข์นั้นพระพุทธเจ้าแสดงว่าเกิดในกําเนิดทั้ง4ี่นะฮะเกิดในครันก็ตามเกิดในไข่ก็ตามเกิดในของสุ ก, กปรกก็ตามเกิดโดยโอปปาติกะก็ตามเกิดเป็นทุกข์ทั้งนั้นชาติปีดุขาทั้งนั้นพอเกิดแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ต้องห่วงนะเรื่องแก่เจ็บตายเนี่ยไม่ต้องห่วงมาเองฮะ มาเองถึงจะย้อมผมวันนี้อีกมารืนนี้ก็ขาวโคลนขา ว, ขาวไม่ต้องห่วงฮะแก่จนได้แหละวันก่อนที่พบจ่าจ่าแ ก, กเกษียณในปีที่แล้วเนี่ยเมื่อเดือนตุลาที่แล้วเนี่ยไปพบกันไอ้ผมงอกหมดเลยถทำไาจ่าทําไมผมงอกเร็วเหลือเกินโปกกรเกษียณไม่ทันถึงปีเกิดว่างอกนานแล้วท่านผมยอมมาเองอะ่ะ <c oughs> โอ้ขาวหมดทั้งหัวเลยแต่ว่าตอนตอนแกเป็นจ่ามาข้าวสมเด็จประจํายู่ั้งหลายปีนะฮะจนกะเกษียณเลยวันกเกษียณก็ก็ติดร้อยตีให้ ก็ผมขาวหมดทั้งหัวอันนี้คือคื อ, ค, อคือมันเข้ากระบวนการแล้วมันไม่ต้องห่วงนะฮะไม่ต้องห่วงไปแน่เลยพอเกิดมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายจะแก่มากแก่น้อยมันขึ้นอยู่กับการนะฮะก็ยังนึกชอบยังนึกขำที่เราเรียกว่าจเจริญวัยนะฮะเจริญเจริญเพิ่มขึ้นมากขึ้นนะฮะว่ายาบเลยว่าเสื่อมจเจริญวัยคือเสื่อมมาก แต่ว่าเสื่อมมากก็เราแหมมันภาคภูมิแล้วเกินมะาท่านผู้นี้จะเรินไหวแล้วแสดงว่าเสื่อมแยะแล้วแสดงว่าเสื่อมแยะแล้วดูแล้วก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่น่าฟังเท่าไหร่นี่คือสายเกิดนะฮะสายเกิดที่นี่ปัญหาสําคัญนะฮะท่านทั้งหลายจะเห็นว่าตรงนี้ลองแยกเป็นอริยสัจสี่ 4, ดูนะยมจําได้นะสิบสิบสององค์แยกเป็นอริยสัจสี่ 4, ดูอวิชชาตันหาอุปาทานกรรมภพนฮะส่วนที่เป็น ส่วนที่เป็นสังขารภพพวกนี้ก็คือกิเลสสวัสดิไม่ใช่อวิชชาตันหาอุปาทานนะฮะเป็นกิเลสเสังขารภพบนั่นเป็นกรรมสังขารภพเป็นกรรมแล้วก็ดอกนั้นนะฮะนามรูปสลาวิญญาณ น, นามรูปสลายตนะผัสสะเวทนาสีน่นี้ห้านี้นะฮะก็คืออะไรก็คือวิบา ถ้าเราเรียงเป็นอริยสัจสี่นะอวิชชาตันหาอุปาทานถ้าเรียงอริยสัจสีต้องต้องต้องเอาสังขารกับภบเข้าไปด้วยเป็นสมุทยัยมันอยู่กลุ่มเดียว ก, กันวิญญาณนามรูปสลายาตนาผัสสะเวทนาตันหาอุปาทานเอ้ยใช่ใช่ใ่ใวิญญาณนามรูปสลายตนาผัสสะเวทนาแล้วก็ชาติชรามรณะโสกะเนี่ย ชาติรามานาโสกกะกับวิญญาณนามรูปสลาจตนะพวกเดียวกันน่ะยอดนะคือเขาพูดชาติจรามรณานั้นพูดรวมใช่ไหมฮะวิญญาณนามรูปสลาจตนะนั้นพูดแยกก็ชาติคำว่าชาติความเกิดมันก็มีทั้งวิญญาณนามรูปสลาจตนาภาษาเวทนามันก็มีพร้อมนะฮะตอนหลังนั้นพูดรวมตอนตอนต้นเราพูดแยกพูดแยกเพราะพรมันหมุนนี่ยโยมันหมุนมันหมุนก็ไม่ต้องมาแยกใหม่มันหมุนกลับไปพอ เชาติชาคือใดชาติก็คือวิญญาณนามรูปสลายาตา น, านาผัสสะเวทนาในความเป็นนามรูปสลายาตานาผัสสะเวทนานั่นเองเราจะประสบกับความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ไรยรำพนันนะตราบใดทียังมีมันก็มีอีกมันอย่างนั้นแหะเพราะงั้นก็คือทุกข์ตัวนี้ก็คือทุกขสัตย์คือทุกขสัตย์ปรากฏเด่นชัดในสายเกิดนั้นก็คือสมุทัยสัตย์กับทุกขสัตย์ สายเกิดนั่นนี่พูดเฉพาะสายเกิดเพราะงั้นอนุญาตศีลจึงแบ่งโลกเป็นสองสิทุกกระสมูทายนั้นคือโลกิยะนิโรดนั้นคือโลกุตระแต่ว่ามรคนั้นมีลักษณะเหมือนจรวดมันน่ะมรตัวมรเองนะฮะมรทั้ง8เนี่ยแกเป็นโลกิยะแต่ว่าพอพอแกรวมพลังกันได้เป็นสัมมาญาณสัมมาวิมุตติสอ ง, ององค์นี้เป็นเป็นโลกุตระมีลักษณะเหมือนจรวดยิงเพื่อนขึ้นบนนะฮะแต่ตัวเองอยู่ข้างล่าง ยิงเพื่อนขึ้นไปข้างนอกตัวเองอยู่ข้างล่างเหมือนเดิมเพราะงั้นอีกฝภางหนึ่งนิโรธกับมรจึงอนิโรธนั้นแน่นอ น, นะฮะโลกุตระแท้แต่ในมรเมื่อแกพันหนึบรวมกันเสร็จรวมกันเสร็จเขาเรียกว่าปฏิบัติสมบูรณ์แล้วมันจะเกิดเป็นสมมาญาณนะคือความรู้ชอบเพอสัมมาญาณะจิตก็วิมุตมันก็เป็นนิโรธเป็นโลกุตระพอมาถึงสายดับพระพุทธเจ้าว่าอาวิชชาดับสังขารดับเรียงตะกี้นะฮะ เมื่อวิชาดับสังขารก็ดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปดับตํารูปดับอายตนะดับที่จริงดับอย่างเดียวก็ฟอนะฮะแต่ทรงเรียงให้ดูว่ามันมันมันมันจะดับไปอย่างเงี้ยดับไปเป็นแถวไปเลยดับเป็นแถวไปเลยคล้ายๆกับไอโดมิโนเนี่ยล้มเป็นแถวไปเลยไทยเราอยากเข้าทฤษฎีโดมิโนก็แล้วกันน่ยก็อภิชาดับสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับวิญญาณดับนามรูปดับนารูปดับสลายตนะดับสลายตนะดับพัสสะดับพัสสะดับ เวทนาดับเวทันดับตัณหาดับตัณหาดับอุปาทานดับอุปาทานดับภพดับภพดับชาติดับดับไปเป็นแผวไปเลยตรงนี้ท่านจะเห็นว่านิโรธเห็นไหมฮะนิโรธอวิชาอวิชาสังขารตัณหาอุปาทานภพดับก็กลายเป็นนิโรธตรงนี้คือสมุทัยนะสมุทัยกระดับพลิกอีกด้านหนึ่งขึ้นมามันก็เป็นนิโรธกลายเป็นนิโรธแต่ที่นี้มักมันอยู่ตรงไหนฮะ มรดงที่ทรงแสดงบาลีต่นทรงใช้คําว่าอาวิชาย ะ, ะเววะอาเสสะวิราะะนิโรธาสาร้างฆาตนิโรธเพราะความสํารอกโดยไม่เหลือแห่งไอเนี้ยเกิดด้วยมรคือวิราฆะทรงใช้ตัวผลจริงๆนะตัวผลที่เกิดจากมรคจริงๆวิราคะเนี่ยเป็นตัวผลที่เกิดจากการปฏิบัติมรคสมบูรณ์เพราะงั้นช่วงนี้ก็คือมรค ก, กับนิโรธแต่ว่าตัวเด่นคือ น, นิโรธเป็นอริยสัจสี่ เป็นนายสัตว์สีดังนั้นจึงทรงเปล่งพระพุทธอุทานนะครพุทธอุทานนี้เราใช้สวดในพิธีอะไรทําบุญวันตายนะโยมเคยสังเกตไหมพระจะสวดซ้ําๆกันอยู่แต่มันไปผิดอยู่ข้างหลังนิดเดียวไอ้นี่เด้อ เ, เอ๊ะทำไมพระสวดซ้ําที่จริงไม่ซ้ำนะครับพระเจ้าท่านอุทานซ้ําเองเราเลยต้องสวดซ้าตามไปแต่มันผิดอยู่ข้างหลังนะฮะผิดกันอยู่ข้างหลังเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหมผู้เพียนเพ่งอยู่เพียนเพ่งนะ เพียนแล้วก็เพ่งพินิพิจารณาเยอะไม่ไม่ไม่จะเพียนเฉยๆนะไม่จะเพี้ยนเฉยๆเดินดุยดยชนชนป่าชนเขาไม่ไม่คือเพี้ยนนะต้องเพ่งดูเลยเพ่งดูอะไรเพ่งดูให้จิตสงบเพ่งดูเพ่งดูนามารูปดูความเกิดดับของน้ำรูปนะชาญโยนะแปลว่าเพ่งดูเลยเพ่งดูจั้นแรกเพ่งให้สงบคือสมถะเต่งชั้งที่สองเพ่งใช้ปัญญาวิเคราะห์วิจัยก็คือวิปัสสนา เมื่อนั้นความสงสัยของพรามย่อมหมดสิ้นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั้งเหตุโยมจะมองสายไหนล่ะสายอริยสัจสี่สมุทัยเป็นเหตุทุกเป็นผลมรรคเป็นเหตุนิโรธเป็นผลสายปฏิจจสมุปบาทอวิชชาเป็นเหตุสังขารเป็นผลสังขารเป็นเหตุวิญญาณเป็นผลนะก็ว่าไปเรื่อยวิญญาณเป็นเหตุต่อกันไปเรื่อยะ กวิชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณเพราะงั้นรู้เหตุรู้ผลรู้เหตุรู้เหตุกันแกมาเหตุหตมาอยู่ตรงนี้ทีนี้ถ้าถ้าถ้าเรารู้เหตุแล้วเราทําลายเหตุก็จบไม่ว่าอะไรก็ตามนะฮะเราป่วยเรารู้เหตุมันล้างสมุทฐานได้ก็หายป่วยก็ท่านั้นนี่รู้เหตุเป็นพระพุทธุสานข้อแรกว่าเราต้องรู้เหตุการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าข้อที่2นี่ฮะ จึงเขาเรียกว่าสัตนิดานงางธรรมเดชสติทรงสแสดงธรรมมีเหตุหรือทรงชี้เหตุนี่เหตุแห่งความเสื่อมนี่เหตุแห่งความเจริญนี่เหตุแห่งความทุกนี่เหตุแห่งพระนิพพานนะทรงบอกไว้เสร็จถ้าเรารู้เหตุจริงๆนะรู้จริงๆอย่างที่บอกนะรู้ประเภทที่4นะรู้ประเภทที่สที่ว่ารู้ตามความเป็นจริงและเกิดญาณรู้ว่าเรารู้ตามความเป็นจริงจึงจะเกิดผลเช่นนั้นขึ้นมานี้ก็คือใต้ร่มโพธิญาณ จริงจงตอนนี้มานหน้าพูดสักสามสี่ชั่วโมงนะรวยจะอดข้าวงั้นก็ขอสักชั่วโมงเดียว ก, ก็ควรจะจบลงตอนนี้ก่อนแต่เห็นจะต้องขอต่อนะขอต่อด้วยบรรยายพระสูตรเพราะการใช้ปฏิจจสมวัติบรรยายด้วยวิธีกรรมฐานนั้นอาจจะเข้าใจ ย, ยากแต่ต้องใช้พระสูตรอธิบายเราก็จะเข้าใจง่ายขึ้นสมบัตวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรณนธรรม จงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเถิด